บทที่สิชาติใหม่รุ่งเช้ามาวันทาปลุกลันดาวตั้งแต่ฟ้ายัางมืดและชวนไปหาอาหารคาวหวานใส่บาตโดยบอกว่าหลังผ่านเรื่องร้ายก็อยากทําบุญร่วมกันให้จิตมีความสว่างชดเชยกับจิตที่มืดมนอนทการมาเป็นอาทิตย์ทําบุญเสร็จแล้วพู้จาโหสิให้แก่กันย่อมเชื่อมสัมพันธภาพให้กลับแน่นแฟนดังเดิมได้เร็วและประการสําคัญคือลอนอยากทําบุญอุทิศให้กับวิ ญ, ญญาณที่มากวกมือชวนให้โดดลงไปอยู่กับเขาด้วย ไม่มีความจําเป็นต้องไปสืบหาให้วุ่นวายว่าเคยมีบ่อยโรงแรมกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือไม่ในเมื่อเขามาเยี่ยมในฝันเกือบทั้งคืนแพทสาวไม่ใช่คนฝันรา้ายง่ายๆเพราะตั้งแต่เด็กแทบไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่นิทราคราวนี้เห็นตัวเองดิ่งเลิ้ยวลงจากตึกไปกระแทกพื้นกระแทกเสร็จก็กลับขึ้นมายืนมองพื้นใหม่ฝันร้ายทมึนมืดนั้นเต็มไปด้วยข่าวเลือดกับความเจ็บปวดกายใจและเที่ยวนี้หล่อนไม่เห็นใครมายืนก ว, กวกมือเรียกจากเบื้องล่างอีกต่อไป เพราะเขาคนนั้นทะลึ่งขึ้นมายืนยิ้มสียอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้หลอนโดดซ้ำโดดซากถึงบนหน้ามุกเลยทีเดียวนึกขอบคุณลานดาวที่เข้ามาห้ามไว้ทันถ้าพาระหลังฆ่าตัวตายคือการวนเวียนอยู่กับการฆ่าตัวตายไม่รู้จบก็คงยิ่งทารุณทรมานยืดเยื้กว่าฝันร้ายอย่างยากจะคำนวณเปรียบเพราะแม้ฝันร้ายดูจริงจังยาวนานปานใดแค่ไม่กี่อึดใจก็พ้นแล้วแต่การเป็นวิญ ญ, ญาณบาปที่หมดสิทธิ์รู้สึกตัวตื่นนี่สิต้องชดใช้วเวรกรรมช้านานกี่วันกี่ปี มนุษย์ก็ไม่อาจทราบตัวอย่างสภาพจิตในฝันร้ายบอกหล่อนว่าสำนึกคิดอ่านแบบที่จะทำให้เกิดสตินั้นบอดสนิทมีแต่วนเวียนฆ่าตัวตายด้วยจิตที่สมเศร้าคลายเล่นวิดีโอสยดสยองซัมรากขาดเหตุขาดผลว่าปลิดชีพตนเองทำไมกระโดดลงไปแล้วได้อะไรขึ้นมามาวันทาจำหน้าเสี้ยมที่มีเลือดไหลออกปากออกจมูกได้ถนัดเกิดมาไม่เคยจดจาใบหน้าในฝันแม่นยาชัดเจนขนาดนั้นมาก่อน นึกถึงที่ไรยังขนลุกเกลียวไปทั้งแผ่นหลังด้วยสังหอนว่าจิตตนกับจิตเขายังสื่อกันอยู่ได้ตลอดหลังจากใส่บาตร ท, ทาบุญจึงตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้แบบจิตสื่อถึงจิตแล้วบังเกิดความเชื่อว่าบุญน่าจะไปถึงเพราะตั้งแต่นาทีนั้นค่อยรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเหมือนกระทุ้งสิ่งอุดตันภายในออกได้เลิกขนลุกขนชันแม้เมื่อลองตั้งความคิดเพ่งถึงเขาอย่างแรงตอนลานดาวอาบน้ำหล่อนแอไปยืนพูดดังๆกับอากาศบนหน้ามุก ขอให้เธอไปดีนะขอบใจที่ทำให้ฉันเห็นสภาพที่จะเกิดขึ้นหลังการฆ่าตัวตายกลับกรุงเทพฉันจะทำสังฆทานกับวัดดีและอุทิศส่วนกุศลไปให้เธออีกครั้งไม่ขนลุกไม่สัมผัสอะไรเป็นพิเศษไม่มีลมรำเพยแสดงอาการร่วมรับรู้มาวันทารู้สึกแต่อากาศว่างโวงจึงสรุปกับตัวเองว่าเขาคงไปแล้วดีเหมือนกันที่เจออะไรอย่างนี้พบภูมิกับการตายแล้วเกิดใหม่ได้กลายเป็นความจริงที่ใกล้ตัว และรับรู้ผ่านประสบการณ์ตรงมากขึ้นบนเส้นทางกลับกรุงเทพมาวันทาเป็นคนอาสาขับเพราะเรียกแรงลานดาวยังไม่เข้าที่นักช่วงแรกลานดาวเอ็นบอกครึ่งนั่งครึ่งนอนพยายามเป่าขลุยทําเสียงเอื้อนเลียนแบบมาวันทาแต่พักเดียวก็เบื่อเนื่องจากเป่าเท่าไหร่ก็ไม่เพาะพลิงลึกซึง้งกินใจเหมือนที่ฟังมาวันทาเป่าเมื่อคืนจึงเสียบเหลาขลุยไว้กับซองหลังเบาะคนขับแล้วเลื่อนสวิตช์ไฟฟ้าดึงพนักขึ้นตั้งตาช้ำเลืองมองตัวเลขบอกความเร็ว เห็นพี่สาวขับช้าไม่ทันใจก็กระแนกะกระแนหะพี่เอิญนี่สงสัยเคยแต่ขี่เกวียนพอหันมาขับรถเข้าบ้างเห็นเร็วนิดเร็วหน่อยเลยกลัวจัดมาวันทาปลายตาไปทางจอมซิ่งแวบหนึ่งคืบก็ถนนสอกก็ถนนเธอไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เรากำลังวิ่งเร็วขนาดไหนจนกว่าจะมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องหยุดกระทันหันเนี่ยนะเร็วกดๆหน่อยสิคะวิ่งเข้าไปได้ยังไงร้อยเดียวช้าเป็นเต่าเลยอะ ทุงลมนี้รภัยดองไว้นานกลัวไม่คุ้มราคาเลยอยากลองใช้นักใช่ไหมวายไม่ใช่เสียหน่อยคันเก่าเขา เ, าเคยลองมาแล้วละ่ะระเบิดปุ๊งใส่หน้าตกใจแทบตายแค่เข้าไปช่วยเจิมตูดรถป้ายแดงหน่อยเดียวมาวันทาอดหัวเราะไม่ได้ขณะนั้นเองลานดาวก็นิ้วหน้างอตัวกุมท้องคลางโอ๊ยเป็นอะไรปวดสมองปวดท้องปวดหัวใจส ม, มัยละ่ะทำเก่งอดข้าวอีกสิเดี๋ยวคราวหน้าคงได้ปวดไปถึงเม็ดเลือด ลานดาหัวเราะร่วนเปลี่ยนเรื่องพูดทั้งยังเอามือคลาทองป้อยหลังทำบุญใส่บาดพระชาวนี้จะรู้สึกเหมือนเป็นโจรกลับใจหรือเหมือนคนสาระเร็วที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นมนุษย์มนากับเขาได้เหมือนเกิดใหม่เป็นชาติใหม่เลยแหละพี่เอิญมาวันทาลดเปลือกตาลงครึ่งหนึ่งในอาการเมินน้ําคําน้องพี่จะคอยดูว่านางโจรจะเล่นบทนางเอกได้กี่น้ําตอบเรื่อยเปื่อยเหมือนสักแต่สแสดงอาการรับทราบเท่านั้นแต่อาจเป็นเพราะน้ําเสียงหล่อนเครือบกังวลมากไปหน่อย ลานดาวจึงเอง็นศรษะอิงต้นแขนเหมือนลูกแมวขี้ประจบและอ้อนด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นจ้าสํานึกแล้วจริงๆนะคะเกิดความซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูกตั้งแต่พี่เอินเป่าขลุ่ยให้ฟังกระแสเสียงเหมือนพยายามบอกว่าพี่เอิญรักและแคร์จ้ามากกว่าใครทั้งหมดในโลกแต่พี่เอิญก็เศร้าที่ไม่สามารถทําให้จ้าเห็นใจจริงของพี่เอิญต่อไปจ้าจะพยายามตอบแทนความรักความใ ย, ยดีของพี่เอิญบ้างอืมแค่ต่อไปไม่ตบตีพี่ก็นับเป็นบุญพอละมั้งโหเอาอะไรมาพูดคะ อย่างจ้าหน่หรือคิดจะตบตีพี่เอินแล้วปลายเสียงท้ายประโยคก็แผ่วลงกระทันหันเพราะนึกขึ้นได้ว่าคืนที่มาวันทาไม่ยอมรับบทสวัสด์ในห้องรับแขกทำให้หล่อนเดือดดานถึงขีดหนึ่งเกิดความคิดวูบว่าอยากทุบตีพี่สาวให้น่วมเดชบุญเกิดสติยั้งมือทันแค่ชั่วขณะสำนึกฉิวเฉียดอย่าว่าแต่ตบตีเลยบางทีเห็นจ้าจ้องทะมึงถึงแล้วพี่ว่าจะฆ่าพี่ได้ด้วยซ้าลานดาวหน้ามอย ราคานี้ทําให้เราเป็นบ้านหลุดโลกได้หลายแบบจริงๆนะคะมาวันทาพยักหน้าโลกหมุนด้วยพลังบาปมากกว่าพลังบุญก็เพราะราคาเป็นแม่ทับจ้าสัญญาค่ะสัญญาเป็นครั้งที่ร้อยว่าจะไม่ทําให้พี่เอิญเสียใจเหมือนผ่านผ่านมาอีกแล้วจําได้ไหมที่จ้าเคยเล่าให้ฟังหมอดูอุปการะทํานายว่าจ้าจะต้องเจ็บจากรักครั้งแรกเพราะกรรมที่เคยเที่ยวไปหลอกผู้ชายไว้เยอะพอจ้าระลึกได้และยอมรับว่าถูกกรรมเก่าบังคับให้ชอบคนที่ไม่ควรชอบ ก็เหมือนสำนึกไปทีหนึ่งแล้วล่ะแต่พอใกล้ชิดพี่เอินมากๆเข้าก็ลืมหมดหลงบ้าบอเหมือนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษได้อีกจะถึงว่าราคานี่ทําให้เราเสียสติได้ซ้าแล้วซ้าเล่าต่อให้เคยสำนึกมาขนาดไหนก็ตามแรงสำนึกในลานดาวทําให้มาวันทาใจอ่อนพลอยสำนึกตามพี่เองก็ไม่ดีด้วยรู้ทางรู้ว่าเธอคิดยังไงก็ยังปล่อยให้เกิดความใกล้ชิดเกินเหตุต่อไปนี้สบายใจเธอคะ่ะตอนฟังพี่เอิญเป่าคลุยเหมือนสื่อจิตถึงจิต มันเหมือนเมฆหมอกชั่วร้ายสลายตัวไปอธิบายยากนะแต่เหมือนผุดอีกสํานึกหนึ่งขึ้นมาว่าที่พี่เอินดีกับจ้ามาทั้งหมดนั้นเป็นเยื่อใยความรักความห่วงแบบแม่หรือพี่สาวสะอาดเกินกว่าที่เราควรคิดมีสัมพันธ์แบบอกุศลประโยคท้ายเหมือนจะกลืนหายลงไปในลําคอคล้ายรำพึงกับตนเองมากกว่าจะตั้งใจกล่าวให้มาวันทารับรู้แต่แล้วก็กลับทําเสียงสดใสใหม่ชักอยากเป็นคนดีอยากทําสมาธิแบบพี่เอินบ้างแล้วละ่ะ พายุความคิดคนเราบางทีทำให้รู้สึกเหมือนในหัวมีปลาตัวหนึ่งดิ้นอยู่ตลอดเวลาดิ้นมากหรือดิ้นน้อยเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรล่อให้มันนอนสงบเสียบ้างสักวันเราอาจทนไม่ไหวต้องเพลอสติเต้นนิ้วเหมือนหุ่นกระบอกอลรวาตามการชักใหญ่ทั้งที่ใจส่วนลึกไม่อยากทำเลยมาวันทายิ้มหน่อยๆกับความช่างเปรียบเทียบของลานดาวเอาสิดีเหมือนกันหัดทำสมาธิเสียบ้างไว้ไปให้อาจารย์อุปการะสอนดีไหมไม่ต้องขนาดไปรบกวนแกหรอกคา่ะ ให้พี่เอิญ น, นี่แหละสอนลันดาวรีบตอบทันควันแล้วประสานมือรองศีษะตาลอยเล็กน้อยเมื่อนึกถึงหมอดูอุปการะจ้ากลัวคำพยากรณ์ของอาจารย์พี่เอิญจริงๆแล้วล่ะคงต้องทำใจยอมรับว่ากว่าจะเจอคู่แท้ต้องรอจนอายุใกล้40สิ่งที่อาจารย์ทำนายอาจเป็นผลกรรมเก่าแต่นี่เป็นโลกมนุษย์ไม่ใช่นรกหรือสวรรค์ที่เราควรงอมืองอเทารับผลกรรมอย่างเดียว เรามีสิทธิ์ก่อกรรมได้ด้วยพีิสัทธานในการหึดสู้หรือทัดทานพลังกรรมเก่าด้วยพลังกรรมใหม่ถ้าสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือโครงสร้างแผนผังเดิมด้วยการปรับนิสัยใหม่กรรมใหม่อาจเร่งรัดให้เธอเจอคู่แท้เร็วกว่านั้นมาวันทางให้กำลังใจฟังง่ายแต่ทำยากนะคะเปลี่ยนเส้นทางขอแบบที่ง่ายกว่านั้นหน่อยสิมีหมายที่เราเร่งรัดให้กรรมดีเก่าๆส่งผลทันใจได้แพทยสาวผู้รอบรู้เรื่องทางาศาสนานิ่งคิดอยู่ครู่ ก่อนตอบไม่เต็มเสียงนักก็มีอยู่นะเรื่องดึงกรรมเก่ามาให้ผลเร็วๆแต่ต้องเป็นกรรมดีเก่าๆที่ได้น้ําหนักสมน้ําสมเนื้อกับความปรารถนาด้วยคือท่านให้เปล่งวาจาแบบเต็มปากเต็มคําอ้างกรรมดีที่ใจรู้อยู่ว่าเราทํามาจริงๆแล้วขอว่าด้วยสัจวาจานี้จงบันดาลให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการถ้าใจเธอนึกถึงกรรมดีที่อ้างอย่างเชื่อมั่นมากพอก็อาจรัดคิวกันให้ผลของกรรมได้จริงยิ่งถ้ามีศีลมีสัตว์ เป็นคนพูดคำไหนรักษาคำนั้นมาตลอดใจก็จะยิ่งหนักแน่นและทำให้สัจวาจามีอนุภาพสูงขึ้นลานดาวหัวเราะอย่างรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าสนุกต้องอ้าปากพูดด้วยหรอถ้าแค่คิดในใจจิตจะไม่หนักแน่นเท่าพี่เอิญเคยลองหรือเปล่าเคยเห็นอนุภาพของสัจวาจาไห้ไม่เคยมาวันทายอมรับแต่คนจิตแรงแรงแบบเธอทาแล้วอาจเห็นผลทันตาก็ได้งั้นลองดู ลานดาวยิ้มใส่ ย, ยาคิวตาวาวว่าแต่พอขยับปากจะลองก็ไม่แน่ใจขอตัวอย่างสักนิดสิคะต้องพูดยังไงพูดไม่เป็นมาวันทานึกอยู่อึดใจก่อนให้ตัวอย่างเอาแบบที่พระพุทธเจ้าเคยแนะนําพระองค์คุลีมานแล้วกันเธอคงรู้จักนะครั้งเป็นคารวาสท่านองค์คุลีมานเคยฆ่าคนไว้มากแต่พอพระพุทธเจ้าทําให้ท่านสํานึกผิดกลับใจบวชเป็นพระได้แล้วท่านก็ไม่คิดปลงชีวิตแม้สัตว์เล็กเช้าวันหนึ่งพระองค์คุลีมานออกบิณฑบาต ไปพบหญิงท้องแก่ใกล้คลอดกำลังทุรนทุรายเจ็บปวดพ่อกลับมาทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าสงสารหญิงท้องแก่ผู้กำลังเศร้าหมองนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้ท่านองค์คุลีมานไปกล่าวต่อหน้าหญิงท้องแก่ว่าตั้งแต่บวชซึ่งถือว่าเกิดใหม่ในอริยาชาติแล้วไม่เคยคิดแกล้งปลงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้ความสวัสดีจงมีแก่คันของน้องหญิงเถิดลานดาวหันมามองพี่สาวเลิกคิ้วสูงแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ ดูเหมือนยิงท้องแก่คนนั้นจะคลอดสะดวกหรือหายเจ็บปวดอย่างไรนี่แหละความจริงยังมีเรื่องการใช้สั จ, จวาจาในพระไตรปิฎกอีกหลายแห่งแต่ที่พี่จําได้ชัดๆว่าพระพุทธเจ้าท่านแนะนําให้ทําด้วยองค์ท่านเองก็มีเรื่องนี้อ่ะงั้นจ๊ะลองมั่งฉีกยิ้มจนตาหีนึกถึงกรรมดีของตนเองแล้วก็ต้องถามมาวันทาอีกพี่เอิญว่าจ๊ะทํากรรมดีอะไรมั่งที่สมน้ําสมเนื้อพอจะส่งให้เจอแฟนดีๆคบแล้วรู้สึกถูกใจกับเขาสักคน ก็ลองที่คิดเลิกเกเรจองเวรกับพี่เลิกคิดในแง่ชู้สาวกับพี่ปล่อยให้พี่เป็นอิสระอยู่กับสามีอย่างถูกทํานองคลองธรรมด้วยความสํานึกผิดอย่างแท้จริงและเหลือแต่สํานึกด้านดีให้อืมอย่างนี้น้ําหนักน่าจะพอได้มั้งโอเคแล้วลานดาวก็เปล่งวาจาเต็มเสียงกดแห่งกรรมเจ้าขาจะบริสุทธิ์ใจเลิกเกเรด้วยความสํานึกผิดอย่างแท้จริงและต่อไปนี้จะกลับตัวกลับใจคิดทําดีกับพี่เอิญให้เท่ากับ หรือมากกว่าที่พี่เอิญเคยทําดีมากับจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอกําลังใจให้จ้าหน่อยส่งผู้ชายที่โสดหลอ่อเก่งกาดเร้าใจมาเป็นแฟนสักคนจ้าจะได้ไม่เผลอไปคิดว่าวามกับพี่เอินอีกนะคะพูดจบก็เงยหน้ามองฟ้านิ่งยิ้มเหมือนรอฟ้าส่งใครลงมาให้ทันทีทันใดแต่ที่พบคือความว่างเปล่าและสีฟ้าจะรัดสายเบื้องบนเท่านั้นมาวันท้าเหลือไปมองแวบหนึ่งแล้วอดหัวเราะไม่ได้ เธอนี่บางทีเหมือนคนสติไม่เต็มบาทยังไงชอบกลอธิษฐานแล้วก็ลืมลืมสะเถอะเหตุปัใจจัยในโลกไม่ทำให้เกิดเรื่องบังเอิญขนาดนั้นหรอกมีอย่างที่ไหนขอปุ๊บเราได้ปับ๊บเขาต้องรอกันทั้งนั้นอย่าใจร้อนให้มากอ้าวหรอนึกว่าได้เลยแล้วลานดาวก็ลดสายตาลงมามองขนาดพื้นปกติมาวันทา ย, ยิ้มอ่อนใจทาเป็นเล่นจะไปได้ผลยังไงทำท่าเหมือนเล่นแต่ใจคิดจริงๆนี่คะไม่ได้เล่นตามอาการข้างนอกหรอก ขณะนั้นเองอยู่ๆลานดาวก็กานะ้าวไก่หน้าที่ถือพวงมาลัยรถของอีกฝ่ายยื่นมือกดแตรปีนๆหลายครั้งทําอะไรอ๋อบีบแตรให้หมาเสียกําลังใจค่ะเห็นมันตั้งท่าจะข้ามถนนพวกนี้บางทีโง่จังไม่รู้รอดมาจนโตได้ไงจูจๆวิ่งพรวดออกมาให้รถชนโป้งดือ้อตัวเมื่อกี้เห็นมันยืนดูอะไรเล่นเฉยๆไม่ได้ตั้งท่าจะพุ่งเสียหน่อยนี่ไม่รู้ล่ะถ้าทางมันกําลังเหม่อไร้สติกันไว้ดีกว่าแก้ เคยเห็นกับตาคาเหลือเชื่อเลยไม่ฟังอีราฆ่าอิรมกระโจนออกจากฝั่งให้รถชนตูมเอาเฉยๆหรอแล้วมาวันถาก็ซึมลงนิดหนึ่งคงเหมือนพี่เมื่อคืนมั้งอยู่ๆก็ขาดสติอยากโดดตึกเสียอย่างนั้นเป็นหมาต่อให้ทุกยังไงคงไม่มีสัญชาตญาณหลบหนีด้วยการฆ่าตัวตายอย่างมนุษย์ลานดาวอึง้งแต่ก็แก้ให้จะไปรู้ได้ยังไงคะจะว่าหมาที่จ่าเห็นต้องวางแผนล่วงหน้าไว้หลายวันแน่ๆมันโดดแบบไม่ดูซ้ายดูขวาเลยนะพี่เอิญ มาแก่แล้วด้วยอยู่มาจนปูนนั้นเกิดอยากลองสัมผัสกระจังหน้ารถเก๋งกับเขาขึ้นมาอุ๊ยพี่เอิญช่วยจอดหน่อยค่ะมาวันธามองกระจกหลังแล้วค่อยๆชะลอความเร็วลงพอถึงจังหวะ ก, ก็หักเลี้ยวเข้าซองจอดระวังรถอีกคันทางขวามือกับมอเตอร์ไซค์ทางซ้ายใต้ร่มไม้พอเดาได้ว่าลานดาวต้องการลงเลือกสินค้าพื้นเมืองซึ่งพ่อค้าแม่ค้าตั้งเพิงวางขายเป็นตับทั้งสองฟากถนนอันร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่เรียงแถว เดี๋ยวซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากแม่เสียหน่อยจะได้ถูกเอ็ดน้อยๆเมื่อเช้าลานดาวโทรทางไกลไปบอกที่บ้านด้วยเสียงสดใสแล้วว่าจะกลับและทราบจังหวะดีว่าถ้าแม่เห็นจิตใจหล่อนเป็นปกติก็จะเริ่มกลับมาตั้งกันเทศชุดใหม่ทันทีจะลงไปคนเดียวนะอ้าวทำไมล่ะคะเผื่อได้ของปลอบใจพี่อ๋องที่ต้องเสียเวลาแสนสุขไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนฟรีฟรีพี่จะพักตาหน่อย พูดจบก็เอ็นศีรษะพิงพนักปิดตาลงลันดาวเห็นอย่างนั้นเลยเลิกขยันขยองั้นเดี๋ยวจ้าซื้อของให้พี่อองเองแล้วกันเป็นการชดใช้เวลาที่เอาพี่เอินมาเป็นของจ้าสลายชั่วโมงมาวันทาโบกมือซ้ายไหวๆเป็นเชิงไล่ลันดาวจึงลงมาเดินเลือกชมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่กลุ่มนักขายในหัวหินตั้งดักคนผ่านทางมีทั้งผลไม้อบนําพึ่งเช่นสับประรดกล้วยกับมะพร้าวผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ตลอดจนสินค้าพื้นเมือง เช่นของที่ทําจากเปลือกหอยกะลาแมาพร้าวเครื่องใช้ทําจากป่านซ้อนนารายและเครื่องจักสานไม้ไผ่ลานดาวข้ามฝั่งมาดูผ้าคโคมพัดซึ่งพิมพ์ลายพื้นเมืองลวดลายพ ล, ยพลอยครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องนุ่งห่มของเจ้าในายในสมัยรัชกาลที่สองซึ่งเท่าที่หล่อนจําได้ตูเสื้อผ้าของแม่ยังไม่มีผ้าแบบนี้เลยตกลงใจเลือกซื้อให้เพราะถึงแม้อาจถูกแขวนทิ้งไว้เฉยเฉไม่ถูกใส่ออกไปไหนอย่างน้อยตอนหล่อนยื่นให้แล้วเห็นสีสันลวดลายของผ้า ก็เดา ว, ว่าน่าจะหายเครื่องหล่อนชั่วคราวหลังจากสนุกกับการต่อรองประษาคนรวยที่มีความสามารถหันราคาด้วยข้อเสนอแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อหลายผืนลานดาวก็ออกจากร้านผ้าแล้วเยี่ยมชมร้านสินค้าพื้นเมืองรานโนนทีร้านนี้ทีใจก็นึกว่าจะหาอะไรไปให้พี่สาวที่กําลังนั่งพักตาอยู่ในรถด้วยความเชื่อว่านอกเหนือไปจากการทําบุญร่วมกันเมื่อเช้าถ้ามีของกํานันบ้างคงช่วยกลบเกลื่อนอารมณ์ลบได้อีกชั้น ทำนองเดียวกับการเล่นเกมสะสมแต้มถ้าโดนหักแต้มไปเยอะก็หาทางเพิ่มแต้มเข้าไปใหม่หากหักกลบลบหนี้เดิมได้ก็ฟื้นคืนเสมออารมณ์เดิมแต่หากเพียนเพิ่มแต้มไม่หยุดเดี๋ยวก็ดีเกินอารมณ์เดิมไปเองกำลังเลือกของเพลินๆในบรรยากาศปลอดโปร่งไร้กังวลลานดาวก็ยินเสียงกระหืมหน้าพลินพลึงอย่างประหลาดของรถบรรทุกคันหนึ่งดังขึ้นจากทิดเบื้องหลังหลอนขมวดคิ้วเวียนหัววิงด้วยสั่งหอนพิกลถึงกับดึงให้ค่อยๆเหลียวไปมอง พร้อมกันนั้นก็เริ่มมีการประชุมเสียงเออะอะตกใจดังขึ้นจากฝั่งนี้และฝั่งโน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายหลบหลบภาพความโกลาหลฉุกละหุกและสั่มเสียงฟังไม่ได้สับเกิดขึ้นในพริบตาเดียวล้านดาวใจหายว่าเพราะ ร, รถบรรทุกที่ห่อตะบึงเป็นพายุพัดมาโดยคนขับท่าทางหลับในหรือเมายานั้นฉลบซ้ายเข้าตำแหน่งที่จอดรถของตนซึ่งมีมาวันทานั่งหลับตาพักผ่อนอยู่ข้างใน เกิดภาพอันไม่ชวนทัศนาครั้งใหญ่กระทันหันเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นความจริงคล้ายเห็นตอปิโดพุ่งเข้าประทะเป้าหมายอย่างจังรวบเอามอเตอร์ไซค์และรถสองคันที่จอดเคียงกันอัดรวมเข้าเป็นกองเดียวเปรากับมือยักษ์ตบปีิ้บให้บุกบู้ยู่ยี่ฉับพลันและดันไปกระแทกต้นไม้ใหญ่รุนแรงขนาดทําให้งนเงนินแล้วหักโค่นลงทันตาเกิดเสียงคลื่นโครมหลายชั้นหลายซ้อนแรงต้านของกําแพงวัตถุสองชั้นทําให้ล้อรถบรรทุกเกิด ย, ย่ําขึ้นบทขยี้รถยุโรปคันแรกบีแบน เห็นหลังคายุบพวัวบกระจกทุกด้านแตกเปลืองกระจุยกระจายกลายเป็นภาพเขย่าวขวัญที่สาบให้ทุกคนในละแวกนั้นอ้าปากค้างนิ่งเป็นตุ๊กตาหินไปหมดพ้ช่วงแห่งความปุับปรับรวดเร็วจนดูแทบไม่ทันก็คลายโลกหมุนช้าลงการเวลาแบ่งซอยออกเป็นเซี้ยวเล็กเซี่ยวน้อยลานดาวได้ยินตัวเองกรีดแหลมสุดแก้วเสียงทว่ากลับเลือนรางคล้ายแววจากอดีตที่ห่างแสนห่างและมีบางสิ่งขาดหายไปสิ่งที่เรียกว่าสํานึกรับรู้ ทุกอย่างวูบดับลงเหมือนภาพตรงหน้าเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพวันวานบันนี้ถูกทําให้แตกเปลืองเป็นเศษยิบยับลงเหลืออยู่แต่เพียงความทึบบอดไร้สีสันและสั่มเสียงอันใดปรากฏอีกต่อไปมาวันทาตกใจกับภาพสันประส่าทที่เห็นพร้อมกับทุกคนไม่พอยังต้องสะดุ้งอีกเป็นคํารบสองกับเสียงวิดเรียกพี่เอิญก้องถนนบาดแก้วหูมันเป็นเสียงแห่งความตระหนกสถานรุนแรงที่ไม่เคยได้ยินจากไหนชวนขวัญหายตามเท่านี้มาก่อน เมื่อสะบัดหน้ามาทางต้นเสียงเรียกชื่อตนนั้นก็เห็นลานดาวยืนเบิกตาโพลงหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษ ด, ด้วยอาการช็อกสุดขีดของในมือร่วงหลุดลงพื้นตัวเกรงทื่อพักหนึ่งแล้วกลับอ่อนเป็นหยวกสุดลงโชคยังดีมีชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งรีบเข้ามาช้อนรับไว้ในอ้อมแขนก่อนล้มหัวฟาดพื้นขบวนรถที่สัญจรทั้งสองฝั่ ง, างพา ก, กันเบรกล้อครูดพื้นสนัน่น หยุดดูความวินาศสันตโรวุ่นวายกันหมดมาวันทาเป็นห่วงน้องมากกว่าวินาศพายและไทยมุงที่พุ่งความสนใจมาทางกองเหล็กยับเยินหล่อนวิ่งข้ามฝั่งไปถึงตัวลานดาวในอึดใจเดียวขณะนั้นพลเมืองดีผู้เอื้อเฟื้อกำลังกายได้ยอ่อลงนั่งเพื่อใช้ตักและท่อนแขนของตนเป็นแท่นรองพักร่างลานดาวอยู่จ๊ะพี่อยู่นี่มาวันทาส่งเสียงดังนำมาก่อนถึงตัวแล้วเขย่าร่างที่อยู่ในอ้อมแขนชายหนุ่มแรงๆเพื่อปลุกสติเรียกบอกให้รู้ว่าหล่อนไม่เป็นอะไร แต่เปล่าประโยชน์เพราะลานดาวตกใจถึงขั้นสลบสลด์แม้ขย่วเรียกด้วยเสียงอันดังก็ไม่แสดงความรับรู้แต่ประการใดคนเราชะตาไม่ถึงค่าเสียอย่างก็มีปาฏิหารมาฉุดออกจากปากมรณาวันยังคำ่ำอยู่ดีๆแพทยสาวก็นึกอยากลงเดินเล่นดูของบ้างเพียงครึ่งนาทีก่อนสิบล้อมหาปลาไหลจะมาเยี่ยมการเลยกลายเป็นว่าคนณเฉีวเฉียดมรณาเองไม่เป็นไรแต่คนที่ควรอยู่ดีปลอดภัยกลับสุดลงเสียได้คุณคือพี่เอิญที่เธอเรียกเมื่อกี้ใช่ไหมครับ ชายหนุ่มเจ้าของอ้อมแขนแข็งแรงทักมาวันทาเพื่องเงยขึ้นมองเขาสะดุดเล็กน้อยกับดวงตาดำใหญ่ทรงอำนาจค่ะ ข, ขอบคุณนะคะที่ยื่นมือเข้ามารับน้องสาวดิฉันก่อนล้มเธอคงหมดสติเพราะตกใจนึกว่าคุณอยู่ในรถเขาบอกในสิ่งที่หล่อนเดาได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมย้ายเธอเข้าที่ร่มแล้วหายาดมให้ดีกว่าพักเดียวก็คงฟื้นไม่ต้องห่วงนะครับผมเป็นหมอค่ะ มาวันทาเก็บถุงของฝากที่หล่นพื้นขณะชายหนุ่มผู้อารีอารอบลุกขึ้นพร้อมกับช้อนร่างหญิงสาวผู้ตกอยู่ในห่วงวีสัญยีภาพขึ้นด้วยปลอกแขนแกล่งเดินตัวปลิวตรงไปยังที่หมายคือใต้ร่มไม้ปลงไม่ใกล้ไม่ไกลออกไปมาวันทารีผ่าซื้อยาดมยาหมองจากร้านแถวนั้นแล้วรุดตามไม่ชักช้าทันกันพอดีกับที่เขาอุ้มร่างไม่ได้สติของลานดาวมาถึงจุดหมายวางราบลงบนโต๊ะไม้จับศรีรษะตะแคงข้างกับหยิบปิ๊บที่มีคนทิ้งไว้ข้างทางใบหนึ่ง มารองเท้าคนเป็นลมยกสูงขึ้นมาวันทาเปิดจุกยาดมและเอาไปรอจมูกน้องมือสั่นเล็กน้อยกับเหตุการณ์ระทึกรถคุณถูกชนยับทั้งคันข้อดีเหลือเกินที่ออกมาเสียก่อนตอนคุณก้าวลงมาเผอิญผมมองทางนั้นอยู่พอดีเขาเลือบตาไปทางจุดเกิดอุบัติเหตุซึ่งเริ่มชุนลมุนวุ่นวายกว่าเมื่อครูบางก็ร่วมแรงงัดประตูรถบรรทุกเพื่อช่วยโซเฟอร์ตีนผี แต่บางคนก็เข้าไปสำรวจรถเก่งทั้งสองคันด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆกันขณะนั้นเร็วเกินกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใดามาถึงรถของน้องนะคะเขาเหนื่อยดิฉันเลยช่วยขับให้ทีแรกก็กะนอนพักแต่นึกรำคาญจูจๆอยากลงมาเดินเล่นก่อนหน้าโดนชนนิดเดียวมาวันทาตอบไม่แม้แต่จะเหลียวหลังไปดูสภาพรถใจจดจ่อห่วงยลานดาวเท่านั้นเพราะอาการช็อกน่าจะรุนแรงพอสมควรจึงสลบได้ แถมสภาพร่างกายยังแย่จากการอดอาหารแม้ขย่วเรียกเป็นระยะทายาหม่องรอยาดมก็ไม่รู้สึกตัวถ้าทางน้องสาวจะรักคุณเอิญมากนะครับถึงตกใจขนาดนี้ชายหนุ่มถือวิสาสะเรียกชื่อเล่นหล่อนที่ทราบโดยบังเอิญจากเสียงกรีดเรียกของลานดาวมาวันทาไม่ค่อยอยากโต้อตอบกับเขานักแต่ก็ประจักษ์ดังเช่นที่เขากล่าวเห็นชัดว่าพิษของความรักและอุ ป, ปทานทาให้คนเราขวนกระเจิงจนสิ้นสติได้ท่าไหน มาวันทางเงยหน้าขึ้นฝืนยิ้มให้กับชายผู้อ้างตัวว่าเป็นหมอขอบคุณคุณหมอมากนะคะอย่างไรก็เชิญตามสบายเถิดค่ะดิฉันจะดูแลน้องเองแพทย์หนุ่มยิ้มให้มีความเป็นมิตรที่อบอุ่นคุ้นเคยราวกับเพื่อนเก่าเดี๋ยวคุณเอิญอาจต้องวุ่นวายสะสางทุราเรื่องรถวันอนุญาตให้ผมอยู่ช่วยดูแลน้องสาวจนฟื้นดีกว่าน้ำเสียงของเขานุ่มนวลเสียจนอดเหลือบตาศบไม่ได้เพิ่งสังเกตเต็มที่ก็พบว่าในตา รอยยิ้มเข่าหน้ากับรูปร่างของเขาช่างบาดความรู้สึกเพศตรงข้ามได้อย่างชงัดแต่นั่นไม่สําคัญไปกว่ากระแสความอบอุ่นอาทรจริงใจที่มีต่อคนไข้ทุกคนเยี่ยงหมอในอุดมคติมาวันทาคิดถึงสถานการณ์ของตนช่างใจเพียงวินาทีเดียวก็รับการขันอาสาของเขาคุณหมอมาคนเดียวหรือคะครับถ้าอย่างนั้นหากไม่เป็นภาระหรือรบกวนคุณหมอจนเกินไปก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับความมีน้ําใจคะ่ะ น้องสาวอยู่ในความดูแลของหมอดิฉันจะได้อุ่นใจด้วยมุมปากข้างหนึ่งของเขายามเล็กน้อยมีความเร้นลับในแวว ล, ลึกของตาและรอยหยักของยิ้มหมอเอินช่างถ่อมตัวดีจริงทั้งที่ก็เป็นหมอให้อุ่นใจด้วยตัวเองอยู่แล้วผมแค่อยากช่วยดูแลแทนตอนหมอเอิญต้องไปจัดการทุราเรื่องรถเท่านั้นแหละมาวันทาฉ ง, งดเล็กน้อยที่เขาร่วงรู้พยายามนึกในใจว่าขณะนี้ตนมีสั ญ, ญลักษณ์บอกความเป็นแพทย์ที่เป็นรูปธรรมัอันใดบนกายก็นึกไม่ออกจะว่าดูบุคลิก ก็ไม่เคยมีใครทายถูกจากรูปร่างหน้าตาเลยว่าหล่อนประกอบอาชีพใดโดยมากมักเดา ว, ว่ายังเป็นนักศึกษาเพราะหน้าอ่อนบางทีบอกใครว่าเป็นหมอเคยเจอหาว่าอ่ำด้วยซ้ำต้องใส่เสื้อกาวนั่งอยู่ในห้องตรวจนั่นแหละค่อยหายสงสัยกันรู้ได้ยังไงคะว่าดิฉันเป็นหมอสง่าราศีของหมอชายชัดอยู่แล้วนี่ครับแพทย์สาวพินิจ ช, ชายหนุ่มตรงหน้าซ้ำ ครั้งนี้มองผ่านใบหน้าอาบเสน่ห์ล่อตาอย่างลึกเข้าไปในความเป็นเขาและบอกตนเองว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาดิฉันยังไม่รู้จักชื่อของคุณหมอเลยผมอมริตครับเป็นจิตแพทย์เรากันเองเถอะเรียกผมว่าตแตรแล้วกันงั้นขอเรียกพี่แตรนะคะครับน้องเอิญกระแสยิ้มในตาสนิทนิ่งกับหางเสียงทอดอ่อนยามขานชื่อหล่อนทําให้มาวันทารีบเอ่ยขอทาให้รบกวนพี่แตรจนเกินไปเอิญขอยืมโทรศัพท์มือถือเรียกสามีมารับจะได้ไหมคะ รอยยิ้มของเขาค่อยๆเลือนลงแตว่ายังคงกล่าวคําด้วยสีหน้าและน้ําเสียงเป็นปกติเอินอยู่กรุงเทพใช่ไหมค่ะถ้าหากจะโทรแจ้งให้แฟนทราบก็ดีครับแต่ในนพี่ก็มาคนเดียวอยู่แล้วเอินกับน้องสาวติดรถพี่เข้ากรุงเทพเถอะนะไม่จําเป็นต้องรอแฟนนานเปล่าๆหรอกมาวันทายิ้มสดใสและพนมมือไหว้เขาอย่างนอบน้อมขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือทุกอย่างค่ะพี่แตรเป็นพระคุณมากเลยความจริงหล่อนแค่จะพูดว่าโทรหาสามีเข้าหูเขาไปอย่างนั้นเอง อย่างไรลัทธีก็มารับไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาติดภาราต้องบินในช่วงบ่ายไม่เป็นไรมีโอกาสแสดงน้ําใจระหว่างคนไทยด้วยกันมั่งก็ดีเวลาถึงคลาวเคราะไร้าเคราะไร้ของบริษัทประกันนะคะคงต้องซื้อรถให้ยายจ้าใหม่ยังดีที่ไม่ต้องจ่ายค่าทําศพที่เป็นลมนี่คงเพราะเพ อ, เอิญร่างกายจ้าเขากําลังอ่อนแอจากการอดอาหารหลายวันด้วยนะคะเพิ่งทานเมื่อดึกที่ผ่านมาพอตกใจหน่อยเลยหมดสติไปง่ายๆ ลังเลนิดหนึ่งก่อนตัดสินใจถามพี่ตรายมาเที่ยวทะเลคนเดียวเป็นปกติหรือคะคนเดียวบ้านพ่อแม่พี่อยู่หัวหินนะ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะมาทีหนึ่งดีจังค่ะเท่ากับได้มาตากอากาศบ่อยๆแล้วเอินกับน้องสาวหลักมาเที่ยวแถวนี้ประจําหรือเปล่าเพิ่งมากับเขาเป็นครั้งแรกเลยค่ะเขาอยากมาหัวหินไม่ได้เป็นพี่น้องกันแท้นะคะรู้หน้าตาต่างกันค่ะจ้าเขาสวยอมริดอมยิม้มอยากจะบอกว่าเอินก็สวยเพียงแต่เป็นคนละแบบ ถว่ายังไว้ก่อนแล้วหนีมาเที่ยวกับน้องสาวอย่างนี้ไม่ถูกสามีเอินโวยหรือก็คงมีบ้างมังคะพอดีน้องสาวเพิ่งเลิกกับแฟนกําลังโศกเลยต้องมาเป็นเพื่อนแก้เหงาให้เขาหน่อยบุคลิกของอมริตดีเสียจนมาวันทาด่วนบอกรายละเอียดเสร็จสับสรุปว่าลานดาวเป็นโสดโดยยืมคําพูดของลานดาวเองที่อ้างว่าช่วงหลังหงุดหงิดบ่อยเพราะถูกนนทการทิ้งคิดในใจว่าคงไม่ถือเป็นการโกหกขณะนั้น ตีนผีเจ้าของผลงานขายี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งรถเก๋งสองถูกชาวถนนหิ้วย่องแย่งลงจากรถได้มาวันทาช้ำเลืองไปเห็นก็กล่าวกับจิตแพทย์หนุ่มพี่ตแตรคะ่ะเดี๋ยวเอิญไปช่วยดูอาการโซเฟอร์เสียหน่อยดีกว่าว่าจะช่วยเบื้องต้นอะไรได้บ้างถ้าทางคงไม่สาหัสรบกวนพี่ตแตรดูน้องจ๋าให้ด้วยนะคะเอามือถือพี่ไปโทรเรียกประกันเสียเลยสิแล้วเผื่อยังไม่มีใครตามรถพยาบาลกับตำรวจด้วย ค่ะยังไม่รู้เลยว่าจ้าทาประกันไว้กับใครเดี๋ยวคงต้องพยายามดูจากสติ๊กเกอร์กระจกหน้ารถถ้าไม่เหลือซ่า ก, ก็ต้องโทรถามจากที่บ้านของจ้าขอเผื่อไว้โทรหลายบาทหน่อยนะคะอมาลิดหัวเราะตามสบายเดี๋ยวถ้าโทรจนหิวอาจมีมื้อกลางวันแถมเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการด้วยมาวันทาหัวเราะตามด้วยความรู้สึกอบอุ่นเหมือนญาติสนิทขอบคุณซ้ําก่อนยื่นมือรับโทรศัพท์พกพาจากอมาลิดแล้วเดินข้ามถนนย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุอย่างเร่งรีบด้วยจิตสํานึกของคนเป็นหมอ เลือกตาเพเย่ขึ้นด้วยความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันที่ทุกสีสันทุกรูปทรงทุกเหลี่ยมมุมอันปรากฏกระทบตาดูแปลกประหลาดไปหมดความรู้สึกภายในว่างโ่งคล้ายเด็กทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกสมองชาเคว้งงสงสัยพยายามระลึกนี่มันอะไรกัน และเช่นเดียวกับขณะฝันที่อยู่ๆก็เกิดความรับรู้นิมิตภาพกับเสียงโดยไม่ต้องรู้ว่าตนเป็นใครมาจากไหนสำนึกคิดอ่านเพียงทำงานรับกับสถานการณ์ช่วเวลาปัจจุบันนั้นสิ่งแรกที่ปรากฏเข้าตาคือใบหน้ายิ้มย้ําของชายหนุ่มคนหนึ่งพร้อมเสียงทักนุ่มนวลสวัสดีครับหญิงสาว ก, ก็พลิบตาทีๆศีรษะหล่นตะแคงไปทางเขาร่างกายวางราบท้าวางอยู่บนปีบใบหนึ่ง ก้มลงเห็นเช่นนั้นก็ยกเท้าผ้นจากปี๊บและพยายามดึงกายลุกขึ้นลงจากโต๊ะมานั่งเก้าอี้เป็นยังไงมัง่งปวดหัวหรือเปล่าค่ะปวดหัวจังแต่นี่ฉันอยู่ไหนคะอรมริชงักเล็งตาพินิจหญิงสาวเงียบๆครู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าอยู่บนเส้นทางกลับกรุงเทพครับคุณมาเที่ยวหัวหินกับพี่สาวไงหญิงสาวพยายามทบทวนพี่สาวไหนหล่อนเริ่มกระวนกะวายคุณเป็นใครผมชื่ออรมริ์ แล้วเออขอโทษนะคะเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าชายหนุ่มสายหน้าน้อยๆอยๆไม่หรอกครับผมแค่พเพื่อเอินยืนอยู่ใกล้ๆตอนคุณช็อกมีอุบัติเหตุใหญ่คุณหมดสติเพราะนึกว่าพี่สาวอยู่ในรถแต่ความจรงิงเธอออกมาเสียก่อนที่จะมีการชนพอนึกออกหรือยังรถบรรทุกก็ยังกองเป็นภูเขาลากาอยู่นั่นนายแพทย์อมริตกล่ ARS, าวพรางชี้ไปทางที่ที่ซากรถยังกองยับยัยี่อยู่ให้เห็นญิงสาหันตามและแลเห็นเช่นที่เขาบอก แต่ภาพทั้งหมดปรากฏเป็นของใหม่อย่างสิ้นเชิงหล่อนระลึกอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวคนไหนคะพี่สาวผู้หญิงผมยาวในชุดกระโปรงลายขาวฟ้าที่ยืนหันหลังให้เราและกำลังคุยกับตำรวจนั่นนะครับเนื่องจากระยะค่อนข้างห่างกับทังไม่เห็นหน้าจึงไม่อาจมั่นใจว่าตนจำพี่สาวได้แต่ที่แน่ๆคือความทรงจาของหล่อนถูกลบสิน้นลืมสนิทว่าเกิดอะไรบ้างก่อนหน้าเปิดตาขึ้นในครั้งนี้ฉันเป็นใคร ยังมีสำนึกรู้ดีพอจะทราบว่านั่นเป็นคำถามที่น่าขันและฟังดูเพี้ยนแต่หลอนกำลังงุนงงสับสนและตกใจกลัวต้องการคำตอบอย่างที่สุดแม้จากเขาผู้ประกาศตัวว่าเป็นเพียงคนผ่านมาช่วยเท่านั้นคุณชื่อจ๊ะผมได้ยินพี่สาวคุณเรียกอย่างนั้นอย่าห่วงเลยคุณแค่ความจำเสื่อมชั่วคราวจากอาการช็อกเท่านั้นแต่อีกไม่นานความจาทั้งหมดก็จะฟื้นคืนกลับมาเองไม่มีใครความจาเสื่อมถาวรจากการช็อกหรอก คำบอกนั้นดูเหมือนทําให้หญิงสาวสบายใจขึ้นเล็กน้อยดิฉันมันเหมือนทุกอย่างว่างไปหมดไม่เหลืออะไรในหัวเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่านี่คือประสบการณ์ในวัยเด็กแรกเกิดอีกครั้งต่างแต่ว่าคราวนี้มีสํานึกคิดอ่านได้แบบผู้ใหญ่ทันทีนายแพทย์อมริดกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยเสมือนนี่เป็นสิ่งปกติที่ใครๆก็เจอกัน ตอนคุณตกใจจนรับการสูญเสียไม่ได้มีการทำลายตัว ต, วตนเดิมทิ้งเพื่อหลบหนีจากบาดแผลที่ใหญ่เกินจะรับพูดง่ายๆว่าความทรงจำเกี่ยวกับตัวเองและญาติมิตรถูกลบทิ้งหมดซึ่งพอความจำหายไปความรู้สึกว่างก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างเลยเหมือนการเริ่มต้นใหม่อมรลิ์พยายามพูดช้าสังเกตเมื่อตาของหญิงสาวเริ่มเลื่อนลอยก็จะหยุดพูด แต่พอเบนกลับมาจับเขาอีกก็จะพูดต่อโดยพยายามอธิบายให้ง่ายขึ้นเพื่อเหมาะกับสภาพงุนงงของคนเกิดใหม่จิตใจของคุณผูกพันอยู่กับพี่สาวมากอย่างน้อยขณะเกิดเรื่องก็เหมือนกับพี่สาวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเมื่อเช็คกับการเห็นอุบัติเหตุนึกว่าเขาตายเลยคล้ายหมดสิ้นทุกอย่างทั้งโลกแตกดับตามไปด้วยหญิงผู้ถูกความตระหนกคล้าความจําทําหน้านิ่วหล่อ น, นึกไม่ออกแม้แต่หน้าตาของตัวเองว่าเป็นอย่างไรความรับรู้ทั้งหมดนับหนึ่งกันใหม่ เริ่มจากการมองโลกภายนอกด้วยตาเปล่าและฟังสัมเสียงด้วยหูเปล่าทว่าประหลาดแท้ที่ยังสามารถสื่อสารกับคนแปลกหน้าได้เรากับรู้ความตามปกติก่อนเอ่ยแต่ละคำหล่อนจะสำเนียกถึงแรงขับดันทางภาษาที่ส่งตรงออกมาจากดวงจิตอันรู้สำนึกคิดอ่านเสมือนบรรดาถ้อยคำทั้งหลายผนึกติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจอยู่โดยเดิมไม่ต้องเริ่มร่าเรียนกันใหม่จากไหนแล้วจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนคะ คงสองสามนาทีเดี๋ยวคุยๆไปก็ค่อยๆกลับมาเองครับพอเจอหน้าพี่สาวรู้ว่าเธอยังอยู่จิตใจอาจเริ่มเข้าที่แล้วสมองส่วนความจําก็ทํางานตามเดิมเองหรือถ้าโชคร้ายที่สุดก็เพียงสองสามวันทุกอย่างจะกลับคืนเหมือนเดิมบางทีดูเงาตัวเองในกระจกก็นึกออกแล้วแต่ฉันอยากได้ความจําคืนมาเดี๋ยวนี้ยิ่งอยากยิ่งกลุ้มทุกอย่างอาจยิ่งกลับคืนมาช้านะสมองคุณเหมือนกับท่อน้ําที่ถูกขวางทางไหลยิ่งพยายามเข็นมากๆ ยิ่งเท่ากับเอาของโซกัปลกไปสมให้เกิดการหมักหมมอุดตันจนท่อนแน่นทางที่ดีควรทําใจให้สบายปล่อยให้เวลาเป็นตัวทะลวงสิ่งอุดตันจะดีที่สุดแล้วเขาก็หัวเราะอย่างจะให้เป็นเครื่องช่วยคลายกังวลกับหล่อนพอเอิญคุณตื่นขึ้นมาเห็นคนแปลกหน้าด้วยเลยไม่มีความจําชุดไหนถูกดึงกลับมาทําความคุ้นให้เกิดขึ้นหญิงสาวสายหน้าบอกซื่อๆอย่างไรมานยาตรงข้ามเห็นคุณแล้วดีฉันคุณมากแต่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออก ความจริงอมริดเองก็รู้สึกเช่นนั้นแตว่าไม่อยากกล่าวให้หล่อนสับสนกว่าเก่าเพียงเปิดตานิ่งให้โอกาสหล่อนศพจ้องเพื่อตรึกและรึกเต็มที่แตว่าครูสั้นๆก็มืนงงหัวหมุนติว้วพอหญิงสาวก้มหน้าเช่นนิ้วกดเปลือกตาด้วยความตึงเครียดอมริดก็แนะอย่างอ่อนโยนอย่าพยายามนึกอย่าพยายามเข็นอะไรเลยเชื่อผมเถอะแต่ฉันคุณหน้าคุณจริงๆนะคะคุณบอกว่าเราไม่รู้จักกันนั่นทําให้ยิ่งสับสนผมก็คุ้น ยอมเผยตามตรงส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเป็นกำลังใจไม่ให้หล่อนนึกว่าละเมอเพอพกอยู่คนเดียวเราอาจรู้จักกันมาก่อนจริงๆก็ได้แต่ผมเองก็ความจำเสื่อมตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยจำคุณไม่ได้เหมือนกันหญิงสาวฟังแล้วงงหล่อนพยายามเอาชนะความกลวงโวภายในแตว่าทะเลแห่งความลืมช่างกว้างลึกโอรา น, นักหลอนลอยคออยู่นใจกลางความเวงวางก้มลงมองอดีตเชิแต่ท้องสมุดแห่งความทึบทางความจำ งีนขึ้นมองปัจจุบันพบแต่ห้วงฟ้าแห่งความเหม่อไร้ขอบเขตสิ้นสุดขณะนั้นเองมาวันทาก็เดินข้ามถนนกลับมาอย่างรีบร้อนจ๊ะฟื้นแล้วหรอลงอกไปทีหญิงสาวผู้มีความทรงจําบกพล่องเหลือบแหลตต้นเสียงเพียงเห็นใบหน้างามที่มีแววห่วงใยอาทรความรู้สึกอบอุ่นก็แล่นปลาดเข้าจับใจถึงขนาดบอกตนเองในปัจจุบันทันด่วนว่าหล่อนเป็นใครคงไม่กังวลอีกแล้วขอเพียงมีวงหน้านเป็นที่รักดวงนั้นยื่นเข้ามาเป็นพอ และด้วยความรู้สึกเช่นนั้นปฏิกิริยาทางสีหน้าสีตาของหญิงสาวจึงเป็นไปในทางยินดีราวกับคนปกติที่จำทุกอย่างได้มาวันทายังไม่สังเกตก็พูดต่อดีเลยที่ฟื้นก่อนประกันจะมาถึงเพราะเจ้าของรถคงต้องเซ็นอะไรเองเอินครับอมริตแรกนิ่มๆพี่คิดว่าเรามีปัญหานิดหน่อยนะน้องสาวเอินเป็นแอมเนเซียจากการช็อกรุนแรงมาวันทาชะงักพินิษแววตาของลานดาวที่มองนิ่งมาอย่างตนแล้วทักเสียงเข้ม เป็นอะไรหรือเปล่าจำพี่ได้ไหมนี่พี่เอินไงปฏิกิริยาตอบสนองคืออาการพยายามเรียกความทรงจำอย่างแรงคือขมวดคิ้วแน่นเพ่งหลอนขึงขังขณะพึมพำทวนชื่อพี่เอินมีความคุ้นแต่ไม่ใช่ความเข้าถึงคล้ายคนเคยขุดดินเพื่อฝังซ่อนสมบัติไว้สุดลึกลึกเสียจนกระทั่งออกแรงขุดเพียงใดก็ตะกุยหาลงไปอย่างไรไม่พบเพียงแต่เห็นสภาพผิวดินกับสิ่งแวดล้อมแล้วจาได้รางๆว่า แล้วแอกนี้เองเป็นแหล่งฝังสมบัติอย่าพยายามเค้นเลยอมาลิดห้ามลานดาวอีกเราคุยกันสบายๆเถอะเดี๋ยวก็จําได้นะอย่างที่ผมบอกถ้ายิ่งเข้นเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่มาวันทาได้ยินอมาลิดเตือนน้องสาวตนเช่นนั้นก็รีบรลดอาการวิตกทางสีหน้าและแววตาทันทีเช่นกันเปลี่ยนเป็นยิ้มคุยเสียงรื่นด้วยความชํานาญรับมือคนป่วยฉุกเฉินมามากพอเรามาตักอากาศกันไงดีแล้วล้างลความจําเก่าออกเสียบ้าง จะลืมพี่สักแ ป, ป๊บหนึ่งก็ช่างเถอะอย่างน้อยยังมีพี่เป็นฝ่ายจำได้ว่าเรารักกันขนาดไหน